าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของผู้ปฏิบัติว่าจะปฏิบัติ ได้มากหรือปฏิบัติได้น้อยถ้าปฏิบัติได้มากก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดถ้าปฏิบัติได้ไม่มากก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์บางส่วนทางพระพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานี้ จึงแบ่งเป็นสองระดับด้วยกันคุ้มครองป้องกันความทุกข์อยู่ในสองระดับขึ้นอยู่กับระดับของการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติว่าจะปฏิบัติได้ในระดับไหนในระดับนักบุญหรือในระดับนักบวชอันนี้ก็จะคุ้มครองความทุกข์ไม่เท่ากัน เหมือนกับประกันภัยรถยนต์ที่มีประกันระดับชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองถ้าชั้นที่หนึ่งก็คุ้มครองภัยทั้งหมดทางรถยนต์ของผู้ซื้อประกันและรถยนต์ของบุคคลที่สามถ้าเป็นประกันภัยระดับ ชั้นที่สองก็จะคุ้มครองรถยนต์ของบุคคลที่สามแต่ไม่คุ้มครองรถยนต์ของผู้ซื้อประกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังซื้อของผู้ที่ซื้อประกันว่ามีกําลังซื้อมากน้อยถ้ามีกําลังซื้อมากก็ซื้อประกันชั้นหนึ่งก็คุ้มครองทุกอย่าง ถ้ามีเงินไม่มากก็ซื้อประกันชั้นที่สองก็คุ้มครองรถยนต์ของผู้อื่นแต่ต้องซ่อมรถยนต์ของตัเองชั้นใดการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็แบ่งเป็นสองชั้นชั้นนักบุญกับชั้นนักบวช ถ้าชั้นนักบุญนี้ก็คุ้มครองได้เพียงบางส่วนไม่สามารถคุ้มครองได้หมดถ้าชั้นนักบวชนี้ก็คุ้มครองได้หมดเลยชั้นนักบุญนี้ก็ต้องจ่ายค่าเบีบ้ยประกันน้อยกว่าจ่ายค่าเบี้ยประกันมากกว่าน้อยกว่าชั้นที่ชั้นของนักบวช นักบวชนี้ต้องเสียค่าประกันมากกว่าต้องปฏิบัติมากกว่านักบุญการปฏิบัติของนักบุญก็จะคุ้มครองให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปทุกข์กับการไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกส่วนผู้ที่ปฏิบัติในระดับของนักบวชนี้ ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในทุกพพทุกภูมิเลยไม่ว่าจะเป็นภพของมนุษย์ของเทวดาของพรหมนี่ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือระดับของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่จะคุ้มครองผู้ปฏิบัติ ไม่ให้พบกับความทุกข์ในสองระดับด้วยกันถ้าเป็นระดับนักบุญก็คือเป็นผู้ที่ทำบุญทำทานและรักษาศีลคือละเว้นจากการทำบาปห้าประการด้วยกันคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี ละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการเสพสุรายาเมาก็จะคุ้มครองไม่ให้ไปเกิดในอบายแล้วก็ถ้าทำบุญอย่างสม่ำเสมอเช่นใส่บาตรทุกวันควบคู่กับการไม่กระทำบาป ตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นสัตว์นรกแต่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่การปฏิบัติระดับนักบุญนี่ไม่สามารถป้องกันการ กลับมาเกิดแก่เจ็บตายในภพของมนุษย์เพียงแต่ป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายแล้วก็เวลาตายไปก่อนที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเป็นมนุษย์ก็ได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือการปฏิบัติของระดับนักนักบุญแต่ถ้าอยากจะ ไม่กลับมาเวียน่ห้ตายเกิดเลยไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนก็ตามก็จะต้องปฏิบัติในระดับของนักบวชการปฏิบัติของนักบวชนี้ก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจาก5ข้อขึ้นไปเป็น8ข้อหรือส0ข้อหรือสองยข้อหรือส0มรอยกว่าข้อขึ้นอยู่กับ ศรัทธาและกําลังของความภาคเพียรของผู้ปฏิบัติเหมือนกับกําลังซื้อถ้ามีเงินมากก็จะซื้อประกันชั้นหนึ่งได้ถ้ามีเงินน้อยก็ซื้อประกันชั้นสองผู้ที่ผู้ที่มีศรัทธาแรงก็มีมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรสูง นี่กำลังของสติสมาธิและปัญญามากก็จะสามารถที่จะปฏิบัติในระดับของนักบวชได้คือรักษาศีลแปดขึ้นไปแล้วก็บําเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าสามารถปฏิบัติได้ ขบท่วนบริบูรณ์ก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติความทุกข์ที่จะเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้อันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งให้ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัตินั้น พิจารณาไปตามกําลังของตนว่าจะสามารถปฏิบัติได้ในระดับไหนส่วนมากในระดับแรกเวลาที่เราได้มาศึกษาได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะปฏิบัติในระดับแรกกันก่อนคือในระดับของนักบุญเพราะเรายังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าพอ คือศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่นี้ยังมีกำลังน้อยยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติในระดับของนักบวชได้เราก็ปฏิบัติไปในระดับของนักบุญก่อนคือหมั่นทำทานอยู่เรื่อยๆรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้าเราทำได้อย่าง ต่อเนื่องทําได้จนเป็นเรื่องปกติเราก็ค่อยจะขยับขึ้นสู่การปฏิบัติในระดับของนักบวชต่อไปการจะก้าวขึ้นสู่ในระดับของนักบวชเราก็ก้าวขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนเช่นในวันพระแทนที่เราจะรักษาศีลห้าเราก็มาเปลี่ยนเป็นการรักษาศีล8 เราก็ไปอยู่ที่สงบเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาวัดที่มีการบำเพ็ญจิตตะภาวนาวัดที่มีการรักษาศีลแปดเราในวันพระหรือวันหยุดการทำงานเราก็ไปปริกวิเวกไปอยู่แบบนักบวชกันไปทดสอบกำลังของเราดูว่าเรามีกำลังมากพอ ที่จะปฏิบัติแบบนักบวชได้หรือไม่เราก็ลองทำไปชิมลางไปก่อนทดสอบกำลังเราไปก่อนทุกวันพระวันหยุดการทำงานมีเวลาว่างก็ไปปีกวิเวกไปอยู่วัดไปถือศิล8แปดไปสำรวมเอ็นซีสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไป จเจริญสติเพื่อที่จะทำใจให้สงบเรียกว่าสามถภาวนาแล้วก็ไปจเจริญปัญญาเพื่อให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ถ้าสามารถปฏิบัติได้ก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติ เกิดจะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการหาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายคือการเสกรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่เป็นความสุขในระดับต่ำกว่าความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบถ้าสามารถพบกับความสงบ พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบได้ก็จะเกิดศรัทธามากขึ้นเกิดกำลังมากขึ้นที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นก็จะหาเวลาเพิ่มในการปฏิบัติให้มากขึ้นอาจจะลดการเวลาการทำงานทำการหาเงินหาทองให้น้อยลงไปเพื่อที่จะได้มีเวลามา ปฏิบัติแบบนักบวชเพิ่มมากขึ้นไปแล้วถ้าสามารถปฏิบัติเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับก็จะสามารถไปปฏิบัติแบบนักบวชได้อย่างเต็มรูปแบบอันนี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นก้าวหน้าคืบหน้าไปตามลำดับ แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองต้องรู้จักควบคุมจิตใจให้อยู่ในร่องในรอยของการปฏิบัติอยู่ในร่องรอยของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่ใจจะทะเลาไหลออกนอกลูนอกทางก็ต้องดึงกลับเข้ามาเหมือนกับเวลาที่เราขับรถยนต์บนท้องถนน ถ้ารถเริ่มออกวิ่งออกนอกท่อออกถนนฉนลับไปทางซ้ายฉลับไปทางขวาเราก็ต้องดึงมันกลับมาให้มันอยู่ในถนนหนทางที่ปลอดภัยนันใดถ้าเราเริ่มฉลับออกไปจากศีลธรรมคือไปดื่มสุรายาเมาไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพนัน ไปคบคนไม่ดีเป็นมิตรไปมีความเกลียดค้านไม่ชอบขวนขวายในการทำบุญทำทานไม่ชอบขวนขวายในการรักษาศีลเราก็ต้องดึงใจให้ออกจากสิ่งเหล่านั้นให้กลับมาอยู่ในล่องทางที่พระเจ้าทรงสอนให้เราดำเนินเราก็ต้องละเว้นจากอบา ย, ยมุขต่างๆ ละเว้นจากการไปเสพสุรายามาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นิตรความเกลียดค้านนี่คือสิ่งที่เวลาที่จิตใจของเราเริ่มทะเลทลายเริ่มฉลับออกนอกลูก่นอกทางเราต้องดึงมันกลับเข้ามาถ้ามันจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย ไ ป, ประพูดผิดประเวณีไปพูดปดก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาต้องห้ามมันเราต้อง ม, ม, มีมาตรฐานของการปฏิบัติของเราไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์วันไหนอยากจะรักษาศีลก็รักษาวันไหนไม่อยากจะรักษาศีลก็ไม่รักษาถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์ก็เหมือนกับปล่อยให้รถยนต์มันวิ่งไปตาม สภาพของมันไม่มีคนควบคุมบังคับถ้าเป็นอย่างนั้นรถยนต์มันก็จะต้องออกนอกลูก่นอกทางแหกโค้งแล้วก็ประสบกับอุบัติเหตุไม่สามารถที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ผู้ขับรถปาถนาจะไปได้ฉะนั้นผู้ที่อยู่ในระดับนักบุญหรือนักบวชก็ต้องคอยควบคุม ระดับขัานปฏิบัติของตนให้อยู่ในทางของของตนเช่นให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ให้มันทำบุญอยู่เรื่อยๆการทำบุญนี้ก็สามารถทำได้กับบุคคลทุกชนิดแม้แต่สัตว์เดรัฉานก็ทำได้เป็นบุญเหมือนกันเป็นการแบ่งปันความสุข ให้แก่ผู้อื่นเช่นเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เราก็เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหล่านี้มาแบ่งปันให้แก่ผู้ที่เขามีน้อยกว่าเราที่เขามีความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาไป อันนี้ก็จะเป็นการแปลงทรัพย์ภายนอกให้มาเป็นทรัพย์ภายในเวลาเราตายไปเราไม่สามารถเอาทรัพย์ภายนอกไปได้แต่เราสามารถเอาทรัพย์ภายในไปได้คือบุญที่เราทํานี้เราก็จะสามารถใช้ทรัพย์ภายในนี้พาเราไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ได้เรียกว่าไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าไม่มีการทาบุญ ทำทานเราก็จะไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปเราก็จะไม่สามารถไปท่องเที่ยวได้ถ้าเรารักษาสีลห้าได้เราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่จะไม่ได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ถ้ารักษาสีลห้าได้เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ทำบุญทำทานหวงเงินหวงทองมีก็เก็บเอาไว้ใช้เพื่อความสุขของตนในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่พอตายไปก็จะไม่มีเงินทองที่จะไปพาไปหาพาไปเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็กลับมา เดินนนต่อสู้ในการเลี้ยงชีพในการหาความสุขต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำปฏิบัติในขั้นของนักบุญถ้าเราสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอเราก็ขยับขึ้นไปสู่นในระดับนักบวชบ้างในบางวัน เช่นในวันหยุดทำงานสมัยก่อนเราเรียกว่าวันพระกันว่าวันพระนี้เป็นวันที่เราจะหยุดทำงานทำการกันแต่สมัยนี้เราไม่ได้ใช้วันพระเป็นวันหยุดทำงานทาการเราใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องเปลี่ยนวันพระของเราให้มาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เราหยุดทำงานแทนที่จะไป เที่ยวไปหาความสุขทางร่างกายเรามาหาความสุขทางใจกันดีกว่ามาหาความสุขที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปไม่เหมือนกับการไปหาความสุขทางร่างกายที่จะผลิตความทุกข์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาเพราะถ้าเราไป หาความสุขทางร่างกายเราก็จะเกิดมีความอยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายไปเรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่การมาความสุขทางใจนี้จะไม่มีทุกข์ตามมาเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกาย เราไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้อะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราใช้ธรรมะคือสติสมาธิและปัญญาธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขทางใจซึ่งจะไม่มีวันเสื่อมจากเราไปถ้าเราสร้างสติได้แนละ้วสติก็จะอยู่กับเราถ้าเราสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้แล้ว สมาธิและปัญญาก็จะอยู่กับใจของเราแล้วก็จะผลิตความสุขคือผลิตความสงบให้กับเราไปเรื่อยๆเราก็จะมีแต่ความสุขไปเรื่อยๆจะไม่มีความทุกข์ตามมาเลยนี่คือการพัฒนาการก้าวขึ้นจากความสุขระดับตำ่ำจากการหลุดพ้นจากความทุกขระดับตำ่ำขึ้นสู่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ระดับสูงคือระดับถาวรหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างถาวรก็ต้องก้าวขึ้นสู่ระดับของนักบวชในเบื้องต้นเราก็ต้องทดลองดูกำลังว่าทำได้มากน้อยเพียงไรก็ลองเอาวันหยุดทำงานเป็นวันที่เราไปทดสอบกำลัง ดูว่าเราจะรักษาศีนแปดได้หรือเปล่าเราจะไปเปรีกวเวกอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าเราจะไปเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้หรือเปล่านั่งสมาธิทำใจให้สงบให้นิ่งได้หรือเปล่าเวลาออกจากสมาธิแล้วพิจารณาไปทางปัญญาได้หรือเปล่า พิจารณาไปทางไตายรักษณได้หรือเปล่าเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสกับอะไรก็พิจารณาว่าเป็นไตายรักได้หรือเปล่านนี้ก็เป็นการทดสอบกําลังเป็นการทดสอบดูว่าเราจะก้าวขึ้นสู่จากระดับนักบุญไปสู่ระดับนักบวชได้หรือเปล่าเหมือนกับการเรียนในโรงเรียนก่อนที่เขาจะให้เราขึ้นชั้นที่สูงกว่าได้ <favorite student> เขาก็ต้องให้เราสอบ <com> ดูความสามารถก่อนเช่นเราอยู่ป .1 เราก็ต้องสอบปชั้นป .1 ดูก่อนว่าสอบหรือผ่านหรือไม่ผ่าน <minimize> ถ้าสอบไม่ผ่านเขาก็ไม่ปล่อยให้ขึ้นไปเรียนอยู่ชั้นป .2 เพราะถ้าไปเรียนป .2 ก็ brightly, จะเรียนไม่ไหวนั่นเองเพราะขนาดป .1 ยังเรียนไม่ผ่านแล้วจะขึ้นไปเรียนป .2 ที่มันยากกว่าได้อย่างไร อันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะขึ้นจากชั้นของนักบุญไปสู่ชั้นของนักบวชนี้เราก็ต้องทดสอบดูกําลังของเราว่าเราทําได้หรือไม่ถ้าเราไม่ทดสอบเราก็จะไม่รู้แล้วเราก็จะติดอยู่กับชั้นนักบุญไปเรื่อยๆคนบางคนนี้มาพบกับพระพุทธศาสนามาปฏิบัติตามคําสอนก็ ปฏิบัติอยู่ในระดับของนักบุญไปเรื่อยๆไม่เคยคิดที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับของนักบวชก็จะติดอยู่ชั้นของนักบุญไปได้รับประโยชน์เพียงในระดับของนักบวชของนักบุญเท่านั้นแต่จะไม่ได้รับประโยชน์ของนักบวชถ้าไม่ทดสอบกำลังของตนว่าจะขึ้นไปอยู่ในระดับของนักบวชได้หรือไม่ ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ไม่ใช่เพียงแต่หลุดพ้นจากความทุกข์บางส่วนคือความทุกข์ที่เกิดจากการไปเกิดในอบายเพียงเท่าเพียงอย่างเดียวต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในทุกพบทุกระดับก็จำเป็นที่จะต้องก้าวขึ้นสู่ระดับของนักบวชต่อไปก็จะต้องทดสอบกำลังในวันหยุดการทางาน ก็ล อ, องไปปลีกวิเวกไปหาสถานที่สงบที่เหมาะต่อการปฏิบัติแบบนักบวชถ้าเราอยู่ที่บ้านนี่สิ่งแวดล้อมอาจจะไม่เอื้อต่อการปฏิบัติแบบนักบวชเพราะจะมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมีการกระทําต่างๆที่จะมาขัดขวางการปฏิบัติแบบนักบวช เช่นถ้าเราถือศีลแปดไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่คนที่บ้านเขายัางรับประทานอาหารกันมีอาหารขํามมีอาหารดึกเราอยู่ใกล้เขาเดี๋ยวเขาชวนเราเราก็ปฏิเสธก็จะทำให้รู้สึกขัดกันแล้วใจของเราก็อาจจะมีกำลังต้านไม่ไหว พอมีใครมาชวนให้ไปรับประทานเห็นอาหารอันอริดอร่อยก็อาจจะห้ามใจไม่อยู่ก็แทนที่จะไปนั่งสมาธิก็เลยต้องไปนั่งรับประทานอาหารแทนจึงต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีกิจกรรมที่มาขัดขวางการปฏิบัติในระดับของนักบวชก็ต้องไปอยู่กับนักบวชคือไปอยู่ในวัดนี่วัดนี้เป็นที่อยู่ของนักบวช คือพระสงฆ์องค์เจ้าสา ม, มนเณรชีพราหมณ์ทั้งหลายเอาไปอยู่ในที่นั้นที่นั้นจะไม่มีกิจกรรมของผู้ครองเรือนจะไม่มีการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่มีการดูมหรสพบันเทิงต่างๆไม่มีการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้ําหอมอะไรต่างๆ ไม่มีการร่วมหลับนอนกันผู้ที่ต้องการที่จะทดสอบกําลังของการปฏิบัติในระดับนักบวชก็ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่นักบวชเขาอยู่กันนักบวชเขาก็จะอยู่ในที่สงบสงดัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเวลาอยู่ในวัดก็แยกกันอยู่ไม่ได้คลุกคลีกัน จะมาพบปะกันก็ต่อเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันเช่นเวลามาฟังเทศฟังธรรมเวลามาร่วมรับประทานอาหารเวลามาร่วมทำภารกิจการงานดูแลรักษาความสะอาดของวัดวาอารามก็จะออกมารวมกันแต่ก็จะรวมแบบไม่ไม่พูดจาไม่คุยกันจะคอยควบคุมใจ ไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับงานงานที่กำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวพอเสร็จจากภารกิจงานงานแล้วก็แยกกันไปอยู่ตามที่พักของตนเพื่อที่จะได้ไปเจริญสติไปควบคุมความคิดด้วยการเดินจงกรมและเวลาต้องการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบก็นั่งสมาธิอันนี้คือกิจกรรมของนักบวช ผู้ที่ต้องการที่จะทดสอบกําลังก็ต้องไปอยู่และไปปฏิบัติในลักษณะนี้ถ้าปฏิบัติได้ผลก็จะเกิดกําลังใจขึ้นมาก็จะรู้ว่ามีกําลังมากพอที่จะอยู่ในระดับของนักบวชได้ถ้ารู้ว่ามีกําลังก็จะเริ่มคิดหาวิธีที่จะเปลี่ยนจากการอยู่ในระดับของนั่ง บุญไปสู่ในระดับของนักบวชเคยหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆก็จะลดการหาเงินหาทองเพราะถ้าสามารถหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินมีทองไปซื้อความสุขทางตาหูจ ม, มูกวิ่นกาย เมื่อไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเงินหาทองก็สามารถลดการทำงานทำการให้น้อยลงได้ให้หาแต่เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นหาเงินเพื่อที่มาซื้อปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอันนี้ยังเป็นสิ่งที่จาเป็นจะต้องมีอยู่แต่ถ้ามี คบบริบูรณ์แล้วมีเงินทองสะสมไว้สำหรับที่จะสามารถซื้ออาหารซื้อปัจจัยสี่ได้ไม่อดอยากขาดแคลนไม่เดือดร้อนก็อาจจะไม่ต้องไปทํางานเลยก็ได้เอาเวลาที่ไปทํางานหาเงินนั้นมาปฏิบัติแบบนักบวช ด, ดีกว่ามาหาความสุขจากความสงบดีกว่า แล้วถ้าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องทุกวันก็อาจจะออกไปบวชในเต็มรูปแบบได้ตอนต้นก็อาจจะบวชในคาบของผู้คองเรือนไปก่อนแต่พอรู้ว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้ตลอดเวลาในระดับของนักบวชก็ไม่มีความจาเป็นที่ต้องอยู่แบบผู้คองเรือนต่อไป ก็ไปบวชไปอยู่ตามวัดกันเพื่อที่จะได้ปฏิบัติในระดับของนักบวชได้อย่างเต็มรูปแบบเต็มที่ตลอดเวลาถ้าลองได้ปฏิบัติเต็มที่ตลอดเวลาและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยชี้คอยแนะคอยแก้ความผิดต่างๆความบกพร่องต่างๆ ก็จะสามารถที่จะบรรลุถึงผลของการปฏิบัติได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเร็วกว่าการอยู่แบบคารวะแล้วปฏิบัติแบบนักบวชเพราะว่ามันไม่มีเครื่องม้เครื่องมือครบคันเหมือนกับการรักษาพยาบาล ที่บ้านกับรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนี้จะมีความแตกต่างกันรักษาพยาบาลที่บ้านก็รักษาได้ในระดับหนึ่งแต่สู้รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไม่ได้เพราะที่โรงพยาบาลจะมีหมอมีพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมีมีอยู่มียาครบบริบูรณ์อยู่ที่บ้านก็ยามขาดมีไม่ครบ ก็จะรักษาได้ในเพียงบางโรคเท่านั้นบางโรค ก, ก็รักษาไม่ได้ก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาก็เหมือนกันก็มีหลายระดับต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในบางระดับก็อยู่ในปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะดับมันได้แต่บางบาง ทุกบางระดับบางชนิดก็ไม่สามารถดับมันได้ก็จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่วิเวกจริงๆคือออกจากบ้านจากเรือนไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาอยู่ตามวัดป่าวัดเขาไปอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้ปฏิบัติผ่านมาแล้วได้บรรลุธรรมแล้วก็จะได้ เครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนบริบูรณ์ในการที่จะรักษาใจทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเหมือนกับการไปรักษาตัวในโรงพยาบาลถ้าไปรักษาตัวโรงพยาบาลแล้วโครคภัยไข้เจ็บนี้ก็จะสามารถรักษาให้หายได้อย่างปิดทิ้งเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนบริบูรณ์ มีหมอมีพยาบาลมีอยู่มียาพร้อมไปหมดนี่ก็คือการปฏิบัติที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปถ้าเราไม่อยากจะยืนอยู่กับที่ถ้าเราอยู่ในระดับเดิมมันก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ได้แต่เพียงหลุดพ้นจากการ ไปเกิดในอบายเท่านั้นถ้าอยากที่จะได้สูงกว่าก็ต้องเปลี่ยนจากระดับของการปฏิบัติจากการปฏิบัติแบบนักบุญไปสู่การปฏิบัติแบบนักบวชนะก็ต้องมีการควบคุมบังคับใจเพราะป่วยปกติใจจะไม่ชอบไปในทางนี้เราต้องเป็นผู้ที่คอยฉุดคอยลากคอยผลักคอยดันให้ใจไปในทาง ของนักบวชให้ได้ด้วยการบังคับให้ปฏิบัติในแต่ละครั้งเช่นในระยะเริ่มแรกก็เลือกเอาวันหยุดทำงานไปก่อนพอทำได้แล้วก็อาจจะเพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากวันหนึ่งก็เป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสมวันถ้าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะเกิด มาเกิดผลแล้วก็จะเกิดกําลังจิตกําลังใจความพอใจที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินี้มันดีกว่าผลที่ได้รับจากการหาเงินหาทองผลที่ได้รับจากการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆมันต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินทําให้ผู้ที่พบกับความสงบ ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ไม่อยากที่จะไปหาความสุขจากการหาเงินหาทองจากการใช้เงินใช้ทองอีกต่อไปอยากจะหาความสุขจากการปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวถ้าได้เกิดกำลังใจในระดับนั้นแล้วก็จะสามารถปฏิบัติได้เต็มรูปแบบออกบวชได้แล้วก็ ปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นและสามารถบรรลุได้ถึงผลได้อย่างรวดเร็วภายในภพนี้ภายในชาตินี้เลยไม่ต้องมาเสียเวลากับการสะสมบุญบรารมีต่างๆซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาผู้ที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้อง สะสมบา ร, รมีต่างๆไปแต่จะไม่มีบา ร, รมีหนึ่งที่เขาไม่สะสมได้บา ร, รมีนั้นก็คือปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนี้จะได้ก็ต่อเมื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้พบกับปัญญาบา ร, รมีและปัญญาบา ร, รมีนี่แหละจะเป็นผู้บอกให้ผู้ปฏิบัติ ดูว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างให้ปฏิบัติแบบนักบุญหรือแบบนักบวชเมื่อมีปัญญาบารมีแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาสะสมบุญบารมีเป็นกับเป็นกันสามารถที่จะอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งสะสมขึ้นมาจนเจริญงอกงามขึ้นมาแล้วนำเอามาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น ถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคาสอนให้กับพวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติพวกเราจะไม่มีวันที่จะได้พบกับปัญญาบารามีที่จะทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเราต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามามาประกาศพระธรรมคาสอนเอาปัญญาบารามีของพระ อ, องค์มาเผยแผ่แบ่งปันให้แก่พวกเรา พวกเราจรึงสามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในภพนี้ภายในชาตินี้เลยไม่ต้องไปสะสมกันบบอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องสะสมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้มาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้พระพุทธเจ้าต้องสะสมบา ร, รมีต่างๆมาเป็นกลับเป็นกันด้วยกัน จนในที่สุดทําให้พระ อ, องค์นี้สามารถได้ตัดสรู้ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเรานี้โชคดีเราไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปค้นหาทางกันมีคนพบทางแล้วมาบอกเราแล้วว่าทางที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปอย่างไรเพียงแต่พวกเรา ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกได้ภายในภพนี้เลยไม่ต้องรอสะสมบุญบา ร, รมีกันเป็นกลับเป็นกันให้เสียเวลาไปเปล่าๆแต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคําสอนเราก็จาเป็นจะต้องสะสมบุญบา ร, รมีชนิดต่างๆไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าไม่ได้สะสมไว้เลย พอถ้าไม่สะสมเลยเวลาที่มาพบกับพระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่มีกำลังพอที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้บางคนที่ได้สะสมบุญบา ร, รมีมามากพอได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้เลยหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย เพราอำนาจของการได้สะสมบุญบารมีมาอย่างมากมายแต่ก็ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทําให้หลุดพ้นได้ด้วยตนเองยังต้องมารอคําสอนของพระพุทธเจ้ายังต้องมารอปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นตัวที่จะจุดประกายการหลุดพ้นให้ปรากฏขึ้นมาดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเรา ว่าเป็นชาติที่เราได้มาพบกับปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นชาติที่พวกเราทุกคนนี้สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในภพนี้ชาตินี้แล้วอยู่ที่ว่าเรามีกําลังพอที่จะปฏิบัติตามได้หรือไม่ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติในระดับของนักบวชได้เราก็ปฏิบัติในระดับของนักบุญไปก่อน พยายามปฏิบัติให้เข้มข้นพยายามปฏิบัติให้มากเงินทองที่หามาได้สําหรับการใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นถ้ามีเหลือก็อย่าเอาไปใช้ในการสร้างภพสร้างชาติคือใช้กลับไปกับความอยากการใช้เงินทองตามความอยากนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติไม่ได้เป็นการตัดภพตัดชาติ ถ้าเราต้องการที่จะตัดภพตัดชาติต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในชาตินี้ขณะที่เราอยู่ในระดับนักบุญเราต้องคอยควบคุมการใช้เงินทองของเราให้ใช้กับในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นคือใช้กับปัจจัยสี่ถ้าเราเอาไปใช้กับการทำความอยากเราต้องดึงเอามาใช้ในการทำบุญแทน ทุกครั้งที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขทั้งตาหูจะบิกเิ็กายก็เอาเงินนั้นมาทำบุญแทนการทำบุญก็จะทำให้เรากำจัดภพชาติไปได้ในระดับหนึ่งพราเราจะได้ไม่ไปทำตามความอยากก็จะทำให้ภพชาติของเราน้อยลงไปเพราะความอยากที่จะผลักดันให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะอ่อนกำลังลงไป เพียงแต่ว่ามันไม่ตายไปด้วยกําลังของการทําบุญทำทานเท่านั้นแต่มันก็จะทําให้มันอ่อนลงถ้าเป็นต้นไม้ก็ได้ตัดกิ่งตัดใบมันก็จะทําให้ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วทำชะลอการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้การทําบุญทําทานก็จะชะลอการสร้างพพสร้างชาติได้ แล้ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็จะชะลอให้น้อยลงไปและทาให้ภพชาตินี้ไม่ไม่เลวร้ายถ้ารักษาศีลได้ศีลห้าได้ไม่ทำบาปได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาแก่มาเจ็บมาตายมาเวียนว่ายตายเกิดในภพของมนุษย์และภพของเทวดาไปจนกว่าจะสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับของนักบวชได้ พอก้าวขก้นสู่ในระดับนักบวชแล้วก็จะสามารถที่จะตัดตันหาความอยากที่เป็นตัวที่จะคอยผลักดันให้จิตใจไปสร้างพบสร้างชาติให้หมดไปพอไม่มีตันหาความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิด มามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะเหตุที่จะทำให้กลับมาเกิดนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วก็คือตันหาทั้งสามคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหานี่เองนี่คือหน้าที่ของนักบวชหน้าที่นักบวชก็คือปฏิบัติธรรมสร้างธรรมะสร้างเครื่องไม้เครื่องมือคือสติสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะเอามาทาลาย ตัณหาความอยากทั้งสามนี้ที่เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถที่จะกาจัดตัณหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากจิตจากใจได้เมื่อไม่มีตัณหาแล้วก็จะไม่มีภพชาติอีกต่อไปอันนี้ก็คือ ขั้นตอนของการปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพระพเจ้าในเบื้องต้นเราก็ทาในระดับที่เราทำได้ถ้าเราทำในระดับนักบวชได้แต่ไม่นักบุญได้แต่ไม่สามารถทำในระดับนักบวชได้ <c oughs> ก็ทำในระดับนักบุญไปก่อนทำให้มันเต็มที่ทำให้มันเต็มร้อยทำให้มันมากมากถ้าเราทํามากแล้วเราจะมีกาลังที่จะก้าวขึ้นสู่ในระดับของนักบวชได้ต่อไป พอเราเก้าวขึ้นสู่ในระดับนักบวชเราก็จะสามารถกําจัดต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยอำนาจของการปฏิบัติในระดับของนักบวชนี่เองเอดังนั้น ขอให้พวกเราจงมีศรัทธามีความเชื่ออย่างแน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและขอให้พวกเรารีบตัดตวงโอกาสอันวิเศษนี้ที่นานๆานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนานๆานจะได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เหล่านี้ไม่ต้องไปสะสมบุญบา ร, รมีต่างๆให้อย่างบุญบา ร, รมีต่างๆอย่าง เวลานานต้องใช้เวลานานแล้วก็ยังจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ก็ยังต้องมารอพบกับพระพุทธศาสนาลบกับพบกับพระธรรมคำสอนเพียงแต่ประโยชน์ของการที่เราได้สะสมบุญบารมีมาในอดีตจะทำให้เราสามารถปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดายนั่นเองถ้าเราไม่สะสมบุญบารมีกันเลยนี้ไม่ทำบุญทาทานเลยไม่รักษาศีลห้าเลยนี้ ต่อให้พบพระพุทธศาสนากี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็จะไม่มีกําลังที่จะปฏิบัติตามได้ดังนั้นตอนนี้ถ้าเราอยู่ในระดับนักบุญก็สะสมบุญไปให้มากถ้าเรายังไม่สามารถมีกําลังขึ้นสู่ระดับนักบวชได้ก็คงจะต้องรอโอกาสหนะ้ารอโอกาสที่เราได้กลับมาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาใหม่ซึ่งก็จะเป็นเวลาอันยาวนาน ดังนั้นควรที่จะควบคุมบังคับให้ปฏิบัติให้เข้มข้นแม้ว่าเราถ้าเราอยู่ในระดับของนักบุญก็ทำบุญอย่างเข้มข้นเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราไม่ต้องใช้นี้มาทำบุญให้หมดอย่าไปใชก้กับการทำตามความอยากต่างๆแล้วมันจะทำให้เรามีกำลังที่จะก้าวขึ้นสูรในระดับของนักบวชได้ต่อไปแลวเราก็จะสามารถปฏิบัติไดุ้ดพ้นได้ภายในภพนชานี้เลย นี่คือประโยชน์หรือการคุ้มครองของพระพุทธศาสนาที่เราจะได้รับในเบื้องต้นเราก็ซื้อคุ้มครองในระดับชั้นสองก่อนแล้วพอเรามีกำลังซื้อมากขึ้นเราก็ซื้อการคุ้มครองในระดับชั้น1นชั้น2ก็คุ้มครองไม่ให้เราไปเกิดในอบาย้าซื้อชั้นหนึ่งก็ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราพยายามตักตวงประโยชน์เหล่านี้ให้ได้อย่างเต็มที่การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยทถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดเเมวะสมิจฉุสับเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ ระโสยถาสพีติโยวิวัจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีธีขาโยโกภวะอภิวาธนสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมาวทาติอายุวโนสุขัง ลช่วงต่อไปเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอให้ถามในในช่วงนี้ได้เลยเพอหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขอยุติการถามตอบคำถามจากทางบ้านจากคุณสลายุทธ ข้อหนึ่งคนธรรมดาทั่วไปที่เขาไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดปดไม่ประพฤติผิดในกามไม่ขี้ขโมยแต่ไม่ได้สมาทานศีลเขาจะได้บุญเหมือนคนถือศีลห้าหรือเปล่าครับได้การถือศีลห้าไม่ได้อยู่ที่การสมาทานหรือไม่สมาทานอยู่ที่การรักษาหรือไม่รักษา ถ้าสมาทานศีลแล้วไม่รักษามันก็เหมือนกับไม่มีมันก็ไม่มีศีลอยู่ดีนั่นเองแต่ถ้ารักษาโดยที่ไม่ได้สมาทานมันก็มีศีลการสมาทานไม่สมาทานนี้ไม่สาคัญสาคัญอยู่ที่การรักษาหรือไม่รักษาข้อ2ผมไม่ค่อยได้ไปวัดแต่จะสวดมนต์ตอนเช้าสมาทานศีลแปดเองแล้วค่อยนั่งสมาธิ สมาทานศีลเองแบบนี้จะมีข้อเสียอย่างไรหรือเปล่าครับไม่มีการสมาทานก็แปลว่าการกําหนดเป้าหมายของการกระทําของเราว่าเราจะทําอะไรบ้างอยู่ที่ว่าเราทําตามที่เรากําหนดได้หรือไม่ถ้าเราสมาทานแล้วพอหลังจากเที่ยงวันหิวขึ้นมาก็กินก็อ้างว่าต้องทํางานหรือเหนื่อยอันนี้ก็แสดงว่าเรา ไม่ได้รักษาแต่ถ้าเราสมาทานแล้วเรารักษามันก็มันก็จะเป็นศีลขึ้นมาถ้าไม่รักษาก็ไม่เป็นศีลข้อสามช่วงหลังๆนี้ผมเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบต้องกินอาหารมื้อเย็นทำให้ขาดศีลอยู่บ่อยๆถ้าศีลขาดบ่อยๆแบบนี้จะมีข้อเสียอย่างไรบ้างครับขาดศีลแปดก็จะทำให้เราไม่สามารถ ป, ปฏิบัติในระดับของนักบวชได้คำถามจากคุณประชยาข้อหนึ่งเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาดูลมหายใจอยู่แล้วมีเสียงขึ้นมาว่าอันนี้จังทำให้เราเป็นทุกข์ได้ขนาดนี้เลยหรือเสียงที่ได้ยินขึ้นมาเป็นคำพูดเป็นเสียงจิตเราพูดหรือเราคิดไปเองบางทีหนูก็มีเอะใจขึ้นมาว่าเสียงอะไร หนูควรทําอย่างไรคะก็พยายามควบคุมรักษาใจของเราให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปตอบโต้อย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่มาปรากนให้รับรู้พิจารณาว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปปล่อยวางไม่ต้องทําอะไรก็ 2. แล้วเวลานั่งแล้วจิตสงบแล้วจะกําหนดอะไรต่อคะก็กําหนดอยู่ที่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้ไป ยาปล่อยให้ใจไปคิดคำถามจากคุณวันนิภาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีวิธีการรักษาได้อย่างไรคะก็ต้องหัดสร้างสติขึ้นมาจะเรนสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วอาการซึมเศร้าต่างๆก็จะหายไปคำถามจากคุณนัฐการมากมีองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ใช่ไหมคะใช่ และความพยายามชอบในมรคมีองค์8หมายถึงอะไรแล้วจะปฏิบัติด้วยการเดินนั่งอย่างไรถึงเรียกว่าความพยายามชอบคะความเพียรชอบก็คือเพียรปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ในมรคแปดเช่นเพียรรักษาศีลเพียรนั่งสมาธิเพียงเจริญสติเพียรเจริญปัญญา เรียกว่าเป็นการความเพียรชอบและความพยายามชอบแตกต่างกับส ม, มาสมาธิอย่างไรคะคือสมาธินั่นเป็นการตั้ ง, งตั้งตั้งจิตให้อยู่ในความสงบเรียกว่าสมาธิความเพียรชอบก็คือเพียรพยายามที่จะทําใจให้สงบอันนึงเป็นเหตุอันนึงเป็นผลคําถามจากคุณมูจิลิศข้อหนึ่ง หนูได้ยินมาว่าถ้าเราจิตตกขณะกำลังจะเสียชีวิตนั้นอาจจะทุกจากโรคภัยความอึดอาดทรมานก็จะลงไปทุกขติภูมิทันทีเป็นอย่างนั้นหรือไม่คะหากว่าเราทำความดีมาตลอดแต่ช่วงท้ายของชีวิตอาจจะทุกขมากเกินไปอันนี้ไม่แน่นอนไม่มีใครสามารถกำหนดได้ ที่แน่ก็คือถ้าเราทําดีมาตลอดมันจะดีมันจะไม่มาตกในบั้นปลายมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเหตุดีผลมันก็จะต้องดีะยั้นถ้ามันตกมันอาจจะต้องมีเหตุอันอื่นที่มาทําที่มีกําลังมากกว่าเหตุที่ดีเราได้ทําไว้อย่างพระเทวทัตนี่ก็บวดมาต้องยี่สิบกว่าปีก็มีเหตุดีรักษาสิงนั่งสมาธิมีอภิญญาแต่มาตกมา ปตอนปลายทางไปคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าไปพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งอันนี้ก็เรียกว่าจิตตกถ้าตกแบบนี้ก็ต้องไปอบายต้องไปตกในนรกก่อนข้อ2การที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะโดยไม่คิดถึงอดีตและอนาคตมีสติในขณะที่จะสิ้นลมจะช่วยให้ไปดีอย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้าจิตสงบมันก็จะไปดี ถ้าจิตทุกข์มันก็จะไปไม่ดีข้อ 3. การนั่งสมาธิวันละยี่สินาทีเกือบทุกวันพอจะได้ไหมคะน้อยไปหรือไม่คะก็ดีกว่าไม่ได้นั่งนคคนที่เขาได้ผลมากๆนี่เขานั่งทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนก็อยู่กับการปฏิบัติทำใจให้สงบตลอดเวลาคำถามจากพระบัวงเงินเวลานั่งสมาธิ จิตชอบฟุ้งซ่านนึกสารพัดและรู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่นิ่งจะมีวิธีแก้ไขยังไงครับเพราะสติเรามีกำลังน้อยมากไม่สามารถควบคุมความคิดไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของจิตได้เราต้องฝึกสติให้มากๆให้เราลึกถึงพุทธโธอยู่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับเลยถ้าเรามีพุทธโธคอยควบคุมใจในเวลานั่งร่างกายจะนิ่งใจก็จะสงบ คำถามจากคุณทิษดีกรณีพระที่บวชแล้วแต่ไม่เคารพพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้านั้นพวกเราควรทำอย่างไรครับถ้าเราไม่มีหน้าที่อะไรก็ไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยให้ผู้ที่ก็มีหน้าที่คือครูบาอาจารย์เขาทาหน้าที่ของเขาไปเขาต้องว่าเล่าตักเตือนหรือประนามหรือลงโทษไปตามเหตุตามผลของการปฏิบัติของเขาคำถามจากคุณหนุย่ย ภาวนาพุโทโธตลอดวันเมื่อไม่ได้ทำอย่างอื่นมองสิ่งแวดล้อมแล้วน้อมนำท ร, ร ม, มาพิจารณาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับและ้จะเห็นธรรมไหมครับถ้ายัางถ้าไม่อยู่กับพุโทโธไปพิจารณาก็ยังจะไม่ได้ผลเพราะในเบื้องต้นที่เรายังไม่มีกำลังที่จะพิจารณาให้เห็นอะไรได้เบื้องต้นเราต้องทำใจให้นิ่งให้สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วค่อยพิจารณารมต่อไป ขณะที่เราจเจริญพุโทโธพุโทโธอยู่นี่เราไม่ควรที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพิจารณาธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้ควรให้อยู่กับพุโทโธไปจนกว่าจิตจะสงบจิตจะรวมเป็นสมาธิก่อนเมื่อจิตมีสมาธิมีอุบเบกขาแล้วเราค่อยไปพิจารณารทางธรรมต่อไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อหนึ่งได้ยินพระอาจารย์พูดเรื่องการพิจารณาอาการ32 การพิจารณาแบบนี้ควรทำช่วงไหนคะทำก่อนนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นสมถะหรือเป็นขั้นของการพิจารณาทางปัญญาหลังจากได้สมาธิที่เป็นอุเบกขาแล้วค่อยพิจารณาถ้าเรายังอยู่ในขั้นสมถะก็ยังไม่ควรพิจารณาใช่ไหมคะเกการพิจารณาอาการ3ามสองนี่มันมีประโยชน์อยู่สองส่วน ใช้เป็นการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบก็ได้เช่นแทนที่จะใช้คำบริกรรมพุโทโธเราก็เราเลิกถึงอาการสามสิบสองผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแทนถ้าเราทำในลักษณะนี้ก็จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิได้แต่ถ้าเราต้องพิจารณาให้ในเชิงปัญญาเราก็ต้องแยกแยะอาการสามสิบสองออกมาแยกกองไม้เป็นกองๆแล้วหาดูตัวตน ว่าอยู่ตรงไหนมีตัวตนอยู่ในอาการสาสิบสองหรือไม่เพราะตอนนี้กิเลสมันจะหลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็ต้องไปค้นหาตัวเราของเราว่าอยู่ในอาการส่วนไหนบ้างอาการส่วนไหนที่เป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่แยกออกมาเราก็จะไม่เห็นถ้าเราแยกออกมากองกองไว้ทั้งสาสิบสองอาการเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการมันไม่มีตัวไม่มีตน การพิจารณาแบบนี้เรียกว่าพิจารณาในเชิงปัญญาเพื่อจะทําให้เกิดความเห็นที่ว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงธาตุสีดินน้ําลมไฟข้อ 2. การแยกธาตุดินน้ําลมไฟออกมาเป็นกองกองต้องพิจารณาขณะที่นั่งสมาธิไปด้วยใช่ไหมคะต้องพิจารณาหลังออกจากสมาธิแล้วเวลาที่อยู่ในสมาธิไม่ควรให้จิตทําอะไรให้นั่งเฉยๆ ให้สงบนานๆแต่พอออกจากความสงบมาแล้วก็สามารถแยกธาตุแยกขันได้คำถามจากผู้ฝากถามจิตเมื่อผ่านขั้นตอนของความรู้ที่แยกรูปนามจนรู้ว่านามเป็นอาการของจิตแล้วการปฏิบัติจิตตภาวนาวิปัสนาในการเริ่มต้นปัญญาขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะก็ต้องพิจารณาปล่อยวางอ่า นามขันกับรู ป, ปรขันปล่อยวางร่างกายคือรู ป, ปรขันปล่อยวางนามขันก็คือทุกขเวทนาคือไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บของร่างกายถ้าปล่อยวางได้ร่างกายจะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวิเจารณวิปัสสนาวิเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางเพื่อทําให้ใจไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกต่อไป หมดแล้วทางนู้นมีคำถามไหมเ<ม>อาไหมมีหรือเปล่ามีไม่มีก็สมม่งมมาให้ทางตอนนี้ก็จะมีถามสดจากทางบ้านทางบ้านตอนนี้ก็ติดตามทาง Facebook Live View ผู้ที่ติดตามมีคำถามก็จะเขียนข้อความส่งเข้ามาแล้วทางพิธีกรคือตากล้องเขาก็จะเอามาอ่านเชิญถามได้เลย คำถามนะครับคำถามจากคุณศรีเมืองนะครับควรปฏิบัติอย่างไรถ้าคู่ชีวิตเป็นผู้รักษาศีลห้าที่ดีคนหนึ่งแต่เมื่อแต่งงานออกเรือนมาอยู่ด้วยกันแล้วปรากฏว่าเขาเป็นผู้มีโทสะแรงใครขับรถปาดหน้าก็ปาดกลับฉุนเฉียวง่ายกล่าวเตือนก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วบางครั้งสติตามไม่ทันก็รู้สึกเบื่อหน่ายคะ่ะก็ต้องปล่อยวาง เมื่อเราทำอะไรไม่ได้เหมือนกับฝนตกเราต้องการให้มันหยุดถ้าเราหยุดฝนไม่ได้เราก็ต้องทำใจอยู่กับฝนตกไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็ต้องหัดทำใจอยู่กับการความโกรธฉุนเฉียวของเขาไปอย่าเอามาใส่ใจอย่าเอามาอย่าสร้างความอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันทำให้เราเหนื่อยจะทำให้เราไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่กับเขา แต่ถ้าเรามองเขาว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปบังคับได้ฝนจะตกแต่จะออกฟ้าจะผ่าฟ้าจะร้องนี่เราไปห้ามพอไม่ได้ฉนันใดอารมณ์ของเขาก็เหมือนกับฝนฟ้าอากาศดีๆนี่ตัวเขาเองก็ห้ามไม่ได้ขนาดเขาห้ามไม่ได้แล้วเราจะไปห้ามได้อย่างไรเราต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะได้ปล่อยวางได้แล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้ ถ้คิดว่าเขาทำอะไรผลเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับเขาเราก็อาจจะโดนลุกหลงในฐานะที่เป็นคนที่เป็นคู่กับเขา mm hmm. เขาไปมีกรณีกับใครคู่กรณีก็อาจจะมาใส่เราด้วยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเราที่ไปเลือกเขามาเป็นคู่ครองของเราถ้าเราไม่อยากจะโดนลุกหลงก็อย่า ก, กันดีกว่าคำถามจากคุณวัฒนานะครับ การนึกคิดเราเรียกว่าจิตใช่ไหมครับและจิตคือผู้รู้อย่างเดียวกันใช่หรือเปล่าครับช่วยอธิบายด้วยครับก็เนี่ยจิตใจเนี่ยมันเป็นผู้รู้ผู้คิดนะครเขาก็แบ่งว่าเวลาคิดก็เรียกว่าจิตเวลารู้ก็เรียกว่าใจแต่คาว่าจิตว่าใจก็อย่าไปยึดไปติดเพราะบางทีก็ใช้ใช้สลับกันไปสลับกันมาจนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นใจก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันก็แล้วกันใช่แทนกันได้ คำถามจากคุณอุจังนะครับเคยนั่งสมาธิแล้วเหมือนจิตออกจากล่างเคยมองเห็นกายตนเองนั่งสมาธิอยู่เราจะกําจัดความกลัวตรงนี้ไปได้อย่างไรคะตอนนี้พอนั่งไปเริ่มตัวเบาๆต้องออกจากสมาธิก่อนกลัวจิตจะออกไปแล้วจะเข้าล่างไม่ได้คะ่ะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าจิตมันไม่เคยอยู่ในล่าง้งมันไม่ต้องเข้าล่างจิตมันอยู่ในโลกทิพ มันเพียงแต่ส่งกระแสะวิญญาณมารับรู้จากทางร่างกายเท่านั้นเองเวลานั่งจะนั่งสมาธิจิตก็ดึงกระแสะของความรับรู้กลับเข้าสู่จิตมันก็เลยรู้สึกแยกออกจากร่างกายไปเวลาออกจากสมาธิมามันก็กระแสะรับรู้มันก็จะกลับมาเกาะติดที่ร่างกายเหมือนเดิมยั้นไม่ต้องไปกลัวว่าการนั่งสมาธิจะทําให้เราหลุดออกจาก ร่างกายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่เป็นไปไม่ได้การนั่งสมาธิเพื่อทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความสงบมีประโยชน์มากอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เวลวร้ายคนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่มีโทษแต่อย่างใดคำถามจากคุณสัญญานะครับผมมีปัญหาเมื่อก่อนเคยเข้าอัปนาสมาธิได้ด้วยการตามลมหายใจ เข้าออกต่อมาป่วยเป็นโรคปลายประสาทอักเสบบริเวณใบหน้ามีอาการปวดตึงโซนใบหน้าและจมูกการกำหนดลมหายใจจึงตามได้ไม่ชัดเจนต้องใช้เวลาตามขึ้นจากส5นาทีเป็น 2-3 สชั่วโมงกว่าจะเข้าสมาธิได้แต่ลมก็ไม่ดับวงเล็บนิวรดับอาการตึงเหลือน้อยลงลองใช้ภาวนาพุโทโธแบบขี่ยิปก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า จึงจะเข้าสมาธิได้มีอุบายอะไรจะเข้าสมาธิได้ง่ายกว่านี้และเอาชนะเวทนาวงเล็บตึงจมูกได้เร็วกว่านี้ไหมครับวันหยุดนี่ต้องใช้เวลาเข้าสมาธิและพิจารณา 3-4 ชั่วโมงก็ก่อนที่จะมานั่งสมาธิก็ให้สร้างสติขึ้นมาก่อนให้สร้างสติอยู่เรื่อยในขณะที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ ให้เราเระลึกถึงพุโทโธก็ได้หรือให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาต่างๆของร่างกายก็ได้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆอันนี้เราจะทำให้สติมีกำลังมากขึ้นแล้วพอเวลามานั่งสมาธินี้จะไม่ต้องใช้เวลามากเพราะสติมีกำลังมากเหมือนเบรกรถยนต์ถ้าเบรกเก่านี่มันจะเหยียบแล้วมันจะไม่หยุดเราต้องไปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ฉะนั้นสตินี่ก็เป็นเหมือนเบรกของใจ ถ้าสติมีน้อยก็จะทําให้การทําใจให้สงบนี้มันยากทําให้กว่าจะสงบได้ก็นานแต่ถ้าสติมีกําลังมากๆนี้เหยียบพับเดียวมันก็นิ่งได้สงบได้คําถามข้อต่อไปจากคุณหนุ่ยนะครับการไปถวายเพลิงพระอริยะเจ้าได้คุศสอย่างไรครับก็ได้ไปปอง ให้บอกว่าแม้แต่พระริยาเจ้าก็ต้องตายเหมือนกันร่างกายของคนทุกคนนี้เหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ว่าใจของพระริยะเจ้าไม่เหมือนกับใจของพวกเราใจของท่านไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เหมือนกับร่างกายของพวกเราเหมือนกับจิตใจของพวกเราที่จะต้องกลับมามีร่างกายใหม่เพราะเรายังไม่สามารถกาจัดเหตุที่จะทาให้พวกเรากลับมาเกิดมาตายได้นั่นเองเหตุนั้นก็คือความอยากต่าง ถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดเหมือนพระอริยเจ้าเราก็ต้องป ฏ, ปฏิบัติตัวเราเหมือนกับพระอริยเจ้าแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแต่เจ็บตายอีกต่อไปคำถามจากคุณพับพึ่งนะครับถ้าเราทำบุญด้วยเงินจํานวนมากๆให้กับพระที่ไม่ใช่พระแท้แต่เป็นพระที่หลอกลวงชาวบ้านที่ให้เอาเงินมาทำบุญเยอะๆบุญที่จะได้กลับมาก็ไม่ได้มากเท่ากับเงินที่ทาบุญไป เพเหมือนกับการหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ดีในนาที่แห้งแลง้งจึงไม่ได้ต้นข้าวที่งอกงามไม่มีเมล็ดข้าวให้ได้เก็บเกี่ยวกินอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ไม่เชิงหรอกการให้อะไรไปถ้าเราให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คือเราคิดว่าเงินนี้ให้ไปแล้วเขาเอาไปทําประโยชน์ได้ไม่ว่าเขาจะเอาไปทําจริงหรือไม่นั้นมันไม่ใช่เรื่องของเรา คือเราทํานี้เพื่อเราตัดความตนีความยึดติดกับในเงินทองของเรามากกว่าความสุขที่ได้รับจากการปล่อยวางความตนันีปล่อยวางความยึดติดในเงินนี้เหมือนกันไม่ว่าจะให้ไข่ให้สุนัขให้แมวให้พระปลอมให้พระแท้อันนี้ความสุขใจความสบายใจนี้เหมือนกันถ้าเราให้ด้วยการยินดีที่จะให้ แต่อันนี้สงส์ที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปให้นี้มีความแตกต่างกันถ้าเราไปทำบุญกับพระปลอมเขาก็จะมีแต่เรื่องปลอมมาให้เราถ้าเราไปทำบุญกับพระแท้ท่านก็จะมีธรรมะแท้ให้กับเราเป็นผลตอบแทนอันนี้ดังหากที่เรียกว่าเนื้อนาบุญผลที่เราจะได้รับจากผู้ที่เรารับผู้ที่เราทำบุญด้วยเหมือนกับที่เคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเวลาเราไปเติมน้ามันตามสถานีบริการต่าง เาไปเติมน้ามันแล้วบางทีเราก็ได้รับของแจกจากสถานีบริการบางทีก็ว่าแจากผ้าแจากน้าหรือจากแจกอะไรแจกเหตุจากการชิงโชคอะไรนี่โอกาสให้เราได้มีโอกาสชิงโชคดังนั้นไอ้ไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นของแถมแต่ความจริงที่เราไปที่ปั๊มก็เพื่อไปเติมน้ํามันแทนในการทําบุญนี้ก็เพื่อปล่อยวาง ความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเรา ด, ดับความตณิยดับความโลภในเรื่องเงินทองเราทําแล้วไม่ว่าทํากับใครเราก็จะได้บุญคือความสุขความสบายใจแต่ถ้าเราอยากจะได้ของแจกของแถมจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยเราก็ต้องไปดูว่าเขาแจกอะไรถ้าไปทํากับพระปลอมเขาก็มีธรรมะปอมมาแจกเรา ถ้าเราไปทําบุญกับพระแท้เขาก็มีธรรมะแท้มาแจกเราดงนั้นถ้าเราต้องการผลตอบแทนจากผู้รับจากเราเราก็ต้องเลือกดูว่าเขามีอะไรแจกให้เราเหมือนกับปัม๊มถ้าเราต้องการาน้ําฟรีเราก็ไปหาปั๊มที่แจกน้ําถ้าเราต้องการผ้าเช็ดหน้าเราก็ไปที่ปั๊มที่แจกผ้าเช็ดหน้าถ้าเราต้องการชิงชิงโชคเราก็ไป ไปเติมที่ปั๊มที่เขามีการชิงโชคอันนี้เป็นผลลัพธ์ของแถมแต่เป้าหมายที่แท้จริงของการไปเติมไปปั๊มก็เพื่อไปเติมน้ำมันผลการทำบุญที่แท้จริงก็เพื่อทำให้เราสบายใจสุขใจไม่ต้องมาทุกข์กังวลกับเรื่องเงินทองเพราะถ้าเราสละได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามข้อต่อไปจากคุณพิศวัตนะครับ ผมนั่งฟังธรรมะจากพระอาจารย์เทศและละลึกถึงผลบุญและ ล, ละลึกถึงพระอาจารย์และช่วงพระอาจารย์ให้ศินผมยกมือน้อมรับจะได้ผลกุศลนั้นไหมครับก็อยู่ที่ใจของเรามีความสุขหรือเปล่าถ้ามีความสุขก็ได้รับถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ได้รับคําถามจากคุณลินนะครับเวลาเรากังวลใจกับเรื่องที่ยังไม่เกิด ทำยังไงเราถึงจะหายกังวลคะก็ฟังเพลงฝรั่งที่เรียกเคซราเซราดู whatever will be will be คำถามจากคุณนารินนะครับสังขารในปฏิจจสมุปบาทกับสังขารในขันห้านี่ตัวเดียวกันใช่หรือไม่ครับสังขารใช่เป็นสังขารความคิดปรุงแต่งตัวเดียวกัน คำถามจ้คุณวัฒนานะครับนั่งสมาธิหากไม่ภาวนาพุทโธจะใช้พิจารณาอาการ32แทนได้ไหมครับได้เกิดเพียงแต่ให้ดูอาการไปอย่าไปแยกแยะอาการพิจารณาดูอาการไปแทนพุทโธไปดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังไปหรือท่องชื่อมันไปก่อนก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกะดู เพื่อให้ใจมีงานทำจะได้ไม่ไปคิดเรื่องต่างๆให้ฟุ้งซ่านเหมือนกับใช้พุโทโธแบบเดียวกันถ้าต้องการทำใจให้สงบไม่ต้องไปพิจารณาแยกแยะเราต้องการให้จิตนิ่งให้สงบเราต้องอให้อยู่กับการรู้เฉยๆรู้ชื่อของอาการสามสิบสองอันนี้ก็จะทำให้ใจสงบได้คำถามจาคุณชัยชุมนะครับ การสวดมนต์ช่วยให้จิตมีสมาธิแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิการสวดมนต์จะมีผลอะไรไหมครับไม่เข้าใจถ้าไม่มีสมาธิมหมายความว่า<ๆ>การการสวดมนต์ช่วยทำให้จิตมีสมาธิแต่ถ้าไม่มีสมาธิเหมือนกับว่าสวดไปอย่างนั้นนะครับจะมีผลอะไรไหมครับก็ผลของการสวดมนต์ก็คือสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็แสดงว่าสวดไม่ได้ผล ส่วนไม่ได้ผลเพราะว่าไม่มีสติจดจอ่ออยู่กับการสวดสวดไปแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าสวดแบบไม่มีสมาธิสวดเราต้องอยู่กับเรื่องสวดนมนต์เพลงอย่างเดียวไม่ให้มีเรื่องอื่นแทรกเข้ามาถึงจะได้สมาธิคำถามจากคุณแพทนะครับจะใช้เวลาในการทำสมาธินานแค่ไหนครับถึงจะเข้าอัปปนาสมาธิได้อย่างถาวรก็นานจนกว่ามันจะเข้าได้อย่างถาวร คำถามจากคุณสุ ข, ขุมนะครับเคยอ่านหนังสือหลวงปู่เจี้ยครับท่านให้ภาวนาพุทโธถี่ๆรัวๆเลยตอนนี้ผมก็ใช้วิธีนี้ครับแต่บางทีก็เป็นสมาธิดีบางวันก็ไม่ค่อยเป็นสมาธิเป็นเรื่องปกติไหมครับหรือต้องหาวิธีใหม่ก็เรื่องหาวิธีสร้างสติให้มันมีมากขึ้นที่มันเข้าได้ไม่เข้าได้ก็อยู่ที่สตินี่แหละ บางวั น, นสติดีก็เข้าง่ายบางวั น, นสติไม่ค่อยดีก็เข้ายากยิ่นต้องหมั่นพยายามสร้างสติเหมือนเราคอยเติมน้ํามันรถอยู่เรื่อยๆถ้าเราเติมน้ํามันรถอยู่เรื่อยๆก็ขับได้ไกลถ้าเราเติมได้ไม่มากก็กลับไปได้ไม่ไกลถ้าเรามีสติมากก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายถ้ามีสติน้อยก็เข้าได้ยากยิ่งเราต้องพยายามเติมสติอยู่เรื่อยๆคําถามจากคุณปทุมมานะครับ วันหนึ่งเคยเห็นกระแสใสๆจากดวงตาพุ่งไปยังวัตถุที่มองและเห็นจิตใสๆบนกระแสวิ่งไปวิ่งกลับได้อันนี้คือจักผูวิญญาหรือเปล่าคะไม่ใช่หรอกมันเป็นความปรุงแต่งของใจอย่าไปสนใจกลับมาที่พุทโธพุทโธไปจะดีกว่าคำถามจากคุณบันทิกานะครับ พระอาจารย์บอกว่าให้เจริญสติแต um ่ทำอย่างไรก็เจริญสติไม่ได้พระอาจารย์มีกุศโลบายแนะนำหรือไม่คะก็ไปนอนเลยคำถามจะกคุณวาทิศนะครับการที่เราทำบุญกับพระปอมโดยที่เราไม่รู้จะทำให้เราเจอแต่เรื่องปอมปอมตลอดเหมือนทำบุญได้บาปใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกคือทำบุญกับพระปอมหรือทาบุญกับเดชะชาน เราก็ได้บุญคือความสุขใจเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะได้จากภาพปลอมก็คือของปลอมแต่เราจะไม่ได้ความสุขปลอมความสุขจริงถ้าเราทําด้วยจิตใจที่มีความาบริสุทธิ์คือต้องการที่จะสละทรัพย์เงินทองไปโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอันนี้เราก็จะได้ความสุขเหมือนกันไม่ว่าจะทํากับภาพจริงหรือภาพแทน คำถามข้อต่อไปจากคุณโทมี่นะครับเมื่อออกจากสมาธิเหมือนจิตถอนออกสมาธิแล้วหลับตาแล้วเห็นโครงกระดูกนอนล้มอยู่และบางครั้งเคยเห็นกระดูกกดเป็นท่อนๆต้องพิจารณาอย่างไรต่อคะก็พยายามแค่มันอยู่ในใจเราอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเรามองเห็นร่างกายของใครก็พยายามมองให้เห็นโครงกระดูกของเขาเพื่อที่จะได้เห็นส่วนที่เราไม่อยากจะเห็นกัน เพื่อที่จะได้กำจัดความหลงคือการมาราคาให้มันหมดไปจากใจคำถามจากคุณทิติมานะครับลูกเคยนั่งอยู่แล้วตัวแข็งแล้วขนลุกสักพักหนึ่งรู้สึกมีก้อนจุกตรงลำคอเหมือนจะขาดใจลูกไม่เข้าใจลูกทั้งกลัวว่ามันคืออะไรเจ้าคะไม่ต้องไปนสนใจมันเป็นเรื่องอาการของใจของจิตที่มันจะแสดงขึ้นมา ขอให้เรามีสติ ร, สตรู้เฉยๆหรือให้เราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วการต่างๆเหล่านั้นก็จะหมดไปคำถามจากคุณน้าหวานนะครับการที่เราปล่อยปลาจะเป็นการต่อกรรมให้กับปลาหรือไม่และเราจะได้กรรมดีหรือกรรมชั่วในเมื่อได้ช่วยให้เขาลอดตายจากการถูกฆ่าแต่ทำไมมีบางคนกล่าวว่าปลาอาจจะไม่ชอบก็ได้ที่นำเขาไปปล่อย ก็ไปถามดูมันจะชอบไม่ชอบก่อนจะปล่อยมีใครอยากอยากจะอยู่ในคุกหรือมีคนอยากระวังอยู่ในคุกเก่าจากคุกนี้ไปถามคนที่ติดคุกด้วยร้อยทั้งร้อยมันอยากจะอยู่ในคุกกันหรือเปล่าลวเราพวกคำทักเออพวกความคิดนั้นมาจากไหนครับที่ <c oughs> ที่บอกว่าไปปล่อยความคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลอีกคําถามนะครับจากคุณท่านเดิมนะครับ การที่คาราวสาได้สวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกับพระสงฆ์และสามเณรบนโบหถจะติดกรรมหรือไม่เจ้าค ะ, ะไม่ไม่เกี่ยวกันอ่ะสวดที่ไหนสวดคนเดียวสวดกับใครมันก็เรื่องของแต่ละบุคคลสวดเพื่อทำใจของตนให้สงบคำถามจากคุณมงคลนะครับตอนปฏิบัติสักคู่หนึ่งเหมือนบูบตกจากเขวนี่เรียกว่าอะไรครับก็จิตเข้าสู่ความสงบคาถามจากคุณอ๊อฟนะครับ คนที่ทำดีเพราะเกรงกลัวความผิดจะเรียกว่าคิดดีได้หรือไม่เจ้าคะยกตัวอย่างเช่นมีคนลืมกระเป๋าเงินไว้ในรถแท็กซี่ในกระเป๋ามีเงินอยู่มากคนขับรถก็อยากได้เงินนั้นแต่เกรงว่าเจ้าของกระเป๋าจะนำรถได้แล้วตามมาเอาคืนจึงนำไปคืนที่โรงพักจากนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีจิตของคนขับนั้นจะเรียกว่าจิตที่ตั้งใจทำดีหรือไม่เจ้าคะ ก็ดีอย่างน้อยเขาก็ยังทำความดีอยู่เขาไม่ได้เอาไปเพราะเขามีปัญญาคิดได้ว่าทำบาปแล้วมันจะมีโทษตามมาสู้ทาบุญดีกว่าเขาก็เลยตัดสินใจทำบุญเอาเงินไปคืนคือจิตของคนเราเนี่ยมันก็บางทีแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วบางทีมันก็มาสู้กันถ้าฝ่ายดีชนะก็เอาไปทาความดี ถ้าฝ่ายชื่อชนะมันก็จะเอาไปมันไม่แคร์มันไม่สนใจจะรู้ก็รู้แต่ตอนนี้อยากจะเอาเงินก้อนนี้ให้ได้เขาก็จะเก็บเอาไว้ไม่ไปส่งคืนก็ได้ถ้าเ้าเอาไปส่งคืนก็แสดงว่าความดีของเขาชนะความเชื่อของเขาคำถามจากคุณก น, นัตธรมนนะครับการอยู่กับปัจจุบันทาสมาธิเจริญสติแผ่เมตตาจิตมากๆจะพันทวิบากกรรมเก่า ได้มากน้อยอย่างไรเอกรรมเก่านี่เราไปลดหรือไปลบมันไม่ได้มันจะต้องเกิดแต่การที่เรามีธรรมะนี่จะทําให้เรามีพลังที่จะรับกับมันได้อย่างไม่สะทกสะทานอย่างพระพุทธเจ้านี่รับกับการตามฆ่าร่างของพระเทวทัตได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเพราะท่านมีธรรมะคุ้มครองจิตใจแต่ธรรมะไม่สามารถคุ้มครองร่างกายได้ ร่างกายถึงวาระที่จะต้องตายธรรมะมีมากมีน้อยก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่ห้ามได้ก็คือใจที่จะไม่ต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆถ้ามีน้อยเหตุใจก็จะวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังนั้นการมีธรรมะนี่ก็มีบุ้ยเพื่อปกคล้องปกป้องคุ้มครองจิตใจแต่ไม่สามารถไปปกป้องคุ้มครองร่างกายได้จากท่านเดียวกันนะครับ การไม่อธิษฐานถึงมรรคผลนิพพานกับการอธิษฐานให้ผลต่างกันหรือไม่คะค ำ, คำว่าอธิษฐานคือความตั้งใจคนเราถ้าไม่ตั้งใจทําอะไรมันก็อาจจะไม่ได้ทําเช่นวันนี้ถ้าไม่ตั้งใจมาวัดก็อาจจะไม่ได้มาแต่ถ้าตั้งใจมาวัดเราก็จะมากันยิงน่งการจะทําอะไรก่อนที่เราจะทําได้เราต้องมีการอธิษฐานแต่คําว่าอธิษฐานนี่ไม่ได้แปลว่าคําขอขอให้ได้ ขอให้ได้ไปถึงพระนิพพานอย่างนี้ขอไปจะวันตายก็ไม่ได้ไปถึงถ้าเราไม่ออกเดินทางไปสู่พระนิพพานแต่ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเดินชีวิตของเรานี้ไปสู่พระนิพพานด้วยการทําบุญทำทานรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าอย่างนี้ก็จะทําให้เราไปถึงพระนิพพานได้ดังนั้นคําว่าทิฐานี้คือความตั้งใจตั้งเป้าหมายเราต้องตั้งเป้าหมายของของการกระทําของเราว่าเราต้องการให้มันไปในทิศทางใด อย่างนี้เรียกว่าอาธิษฐานถ้าต้องการไปพระนิพพานเราก็ต้องตั้งให้มันเดินไปในทางของพระนิพพานถ้าตั้งแล้วไปเดินไปอีกทางหนึ่งมันก็มันก็คนละเรื่อง ก, กันดงนั้นอยู่ที่ว่าเราตั้งหรือไม่ตั้งตั้งแล้วเราทําตามที่เราตั้งหรือไม่ด้วยคําถามจากคุณโชคเขมวยนะครับถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงจะมีโอกาสเข้าใกล้พระนิพพานมากน้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับผู้ชายครับเท่ากันเนี่ยอยู่ที่กําลังของการปฏิบัติของเราว่ามีมากน้อยถ้ามีมากก็เข้าใกล้พระนิพพานได้ง่ายๆถ้ามีน้อยก็เข้าได้ยากไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้แปลว่าอยู่ที่ผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะจิตใจนี้ไม่มีเพศจิตใจมีกิเลสกับธรรมถ้าธรรมมีมากกว่ากิเลสก็เข้าถึงพระนิพพานได้ถ้ากิเลสมีมากกว่าธรรมก็เข้าไม่ถึงพระนิพพาน ดันั้นพยายามสร้างทําให้มากกําจัดกิเลสให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วพระนิพพานก็จะเข้ามาใกล้เข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ได้อยู่ที่เพศว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายคําถามจ้กคุณแพทนะครับพระอริยะเจ้าในรูปแบบของคารวาสกับพระอริยะเจ้าในรูปแบบของพระสงฆ์มีความบริสุทธิ์ของจิตเท่ากันหรือเปล่าครับเหมือนกันจิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าร่างกายนี้ไม่เหมือนกัน คือเพศยังไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่จิตนี่เหมือนกันบริสุทธิ์เหมือนกันสะอาดเหมือนกันคาถามจากคุณคริสตั้นนะครับฝึกปฏิบัติเจริญสติดูกายดูใจในชีวิตประจำวันมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นในขณะทำงานอยู่แต่บอกไม่ถูกว่ามันว่างหรือมันเต็มแต่รู้สึกว่ามันกว้างมันเต็มแบบไม่มีพื้นที่เหลือเลย แล้วมีอะไรไม่ทราบผุดขึ้นมาในความว่างนั้นสามครั้งแล้วก็ดับไปสภาวะนี้เกิดขึ้นชั่วขณะอยากทราบว่าสภาวะนี้คืออะไรครับก็สภาวะธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่สามารถไปควบคุม บ, คบังคับไปสั่งให้มันอยู่หรือมันไปได้ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไปเท่านั้นเองมันผ่านไปแล้วก็ลืมมันไป เม่ตอเอามาแบ่งคำถามจ้าคุณทวีศักนะครับเวลาสวดมนต์ทำไมเราไปคิดเรื่องอื่นครับโดยที่เราไม่ได้คิดเลยเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติพอที่จะควบคุม บ, บังคะแพร่ใจยอยู่การสวดมนต์เพียงอย่างเดียวเราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาให้มากให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันคําถามจ้าคุณสมพรนะครับ การที่เราโดนโกงเงินไปตอนแรกเราก็รู้สึกโกรธโมโหมากเมื่อเวลาผ่านไปถ้าเราถือว่าเป็นการให้ทานเราจะได้บุญไหมคะหรือถือว่าเป็นการชดใช้กรรมเก่าที่เราอาจจะเอาของเขามาหรือเปล่าคะก็ได้ทั้งสองอย่างพอเราคิดแบบนี้แล้วใจเราก็สงบใจเราก็มีความสุขถ้าเรายังคิดว่าเป็นของเราอยู่เราก็ยังจะทุกข์อยู่ แต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานหรือเป็นการใช้นี่ไปมันก็จะทําให้ความทุกข์ในใจเราหายไปแล้วทาให้เรามีความสงบกลับกลืนมาจากคุณแอมนะครับไม่ทราบว่าเป็นบอกเล่าหรือคำถามนะครับพี่น้องหาว่าดิฉันบ้าฝ่ายทนั่งสมาธิทำไมหนอคนเหล่านี้จึงเป็นเช่นนี้คะ จะทำอย่างไรให้ใจเราไม่อ่อนไหวไปตามคำพูดของเขาทางบ้านมีดิฉันคนเดียวที่ใฝ่พระธรรมคำสอนก็มองต่างมุมกันไงเขามองไม่เห็นว่าประโยชน์จากการทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมนี้มีคุณค่ามหาศาลเขากลับไปเห็นว่าการมีเงินมีทองนี้มีประโยชน์อย่างมหาศาลเขาก็ต้องมองไปในทางที่ไม่ดี เราก็อย่าไปถือสาเขาเพราะเราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนเขาเห็นสีแดงเป็นสีเขียวเราจะไปบอกว่ามันเป็นสีแดงบอกอยังไงเขาก็บอกไม่เห็นว่าเป็นสีแดงเขาก็จะเห็นว่าเป็นสีเขียวเพราะตาเขามันมีมีปัญหาในเรื่องการแยกสีก็ได้เน้นถ้าเขาว่าสีแดงเป็นสีเขียวก็ปล่อยเขาว่าไปก็เท่านั้นเองจะคุณ ว, วิสังนะครับ การเจริญสติในชีวิตประจาวันทำได้ยากจังครับทำไงให้สามารถทำได้บ่อยขึ้นมันชอบลืมตัวตลอดต้องไปอยู่คนเดียวไปเปีกเว้ยว่าที่สงบไม่มีเรื่องมีราวให้เราต้องคิดมากแล้วเราก็จะสามารถที่จะประคับประคองสติให้มีได้อย่างต่อเนื่องจากคุณพอลัตนานะครับปล่อยชีวิตโครกระบือซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่จะได้คุศมากกว่าปล่อยปลาไหมคะ สัตที่มีคุณมากก็จะได้บุญมากสัว์ที่มีคุณน้อยก็จะได้บุญน้อยเช่นเดียวกับการทําร้ายสัตว์ที่มีคุณมากก็จะมีโทษมากกว่าทําร้ายสัตว์ที่มีคุณน้อยกว่าเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้มีโทษหนักกว่าฆ่าคนอื่นทั้งๆที่ก็เป็นคนเหมือนกันแต่พ่อแม่มีพระคุณกับเรามากคนคนอื่นมีพระคุณกับเราน้อยก็จะมีโทษ ต่างกันจะทำบุญก็ต่างกันเหมือนกันทำบุญกับพ่อกับแม่กับทำบุญกับคนอื่นก็ต่างกันทำบุญกับพ่อกับแม่ก็จะได้เท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์นระนั้นก็อยู่ที่คุณของบุคคลนั้นกับเราไม่ใช่กับคนอื่นกับเราเพราะคนคนพ่อแม่ของเราอาจจะไม่มีบุญคุณกับคนอื่นก็ได้เขาก็จะไม่ได้ทาบาปทำกรรมเหมือนกับเราหรือทาบุญกับเราเหมือนกัน เขาทำบุญกับพ่อแม่เรากับเราทำบุญกับพ่อแม่เราเรากลับได้บุญมากกว่าเขาทำบุญกับพ่อแม่เราเพราะความรู้สึกที่เขามีต่อพ่อแม่เรากับเรานี่มันต่างกันคุณชัดชัยสงสัยว่าเมื่อสร้างบ้านใหม่จําเป็นต้องมีสารประภูมิใหม่ครับเนื่องสารประภูมินี่เป็นความเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าจะเชื่ออย่างมีเหตุมีผลนี่ให้เชื่อกดแห่งกรรมเอ่อก็พยายามตัดคําถามให้เหลือสักสิ สามสี่คำถามนะจะได้ปิดฉากได้ละใกล้หมดเวลาแล้ะเดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายเลยครับพะอาจารย์เพราะแล้วครับคุณชัยชุมถ้าเราอยากบวชแต่มีภาร ะ, ะทางครอบครัวจะทําอย่างไรครับก็ต้องอกําจัดภาร ะ, ะเหล่านั้นให้หมดไปก่อนจัดการกับภาระต่างๆให้หมดไปก่อนอเพราะถ้าเรายังไม่จัดการกับมันเดี๋ยวมันก็จะเป็นสิ่งที่มารบกวนใจเราตอนที่เราบวชได้ ถ้าเรามีภาระกับอะไรเงินทองก็ดีกับบุคคลก็ดีก็ต้องหาวิธีกรรมจัดภาระเหล่านั้นให้มันหมดไปเมื่อหมดแล้วเราก็จะได้เป็นอิสระแล้วเราก็จะได้ไปบวชอย่างไม่มีอะไรมารบกวนใจหมดแล้วใช่นะหอีกคำถามหนึ่งครับการผิดหวังในความรักเป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าต้องอยู่คนเดียวเราควรทาใจอย่างไรคะความผิดหวังก็เกิดจากความมหวังนั่นเอง ถ้าไม่มีหวังก็ไม่มีผิดหวังงั้นถ้าไม่อยากจะผิดหวังก็อย่าไปหวังอะไรจากใครเอาตามมีตามเกิดเขาดีกับเราก็ดีไปเขาไม่ดีกับเราก็ช่วยไม่ได้ก็คิดท่านี้แ sì> ล้วก็จะสบายใจจะไม่ผิดหวังอย่าไปสร้างความหวังเพราะถ้าสร้างความหวังมันก็มีโอกาสที่จะสมหวังหรือจะผิดหวังได้แต่ถ้าไม่สร้างความหวังแล้วก็ไม่จะไม่มีวันที่จะผิดหวังแล้วจะ มันก็จะเฉยๆกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราวันแล้ใช่ไหมครับสำาหรับสาหรับผู้ชมทางบ้านวันนี้สัญญาณสัญญาณค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนะครับก็ให้ลองรับชมย้อนหลังดูนะครับเผื่อว่าจะรับชมได้นะครับอา่ากเคิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิดพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด